อธิบายเชิงปเปรียบเทียบสรุปความเท่าที่กล่าวมาเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับทำความเข้าใจกันต่อไปดังนี้ 1. ตัณหามุ่งประสงค์เวทนาและจึงต้องการสิ่งสำหรับเอามาเสพเสวยเวทนาหรือสิ่งที่จะปรนปลือตัวตน ตัญนหาอาศัยอาวิชาคอยหล่อเลี้ยงและให้โอกาสผัวพันเกี่ยวเนื่องอยู่กับเรื่องตัวตนเอาอัตตาเป็นศูนย์กลางและนำไปสู่ปริยสนาหรือการแสวงหา 2. ฉันทะมุ่งประสงค์อัตถะคือตัวประโยชน์หมายถึงสิ่งที่มีคุณค่าแท้จริงแก่ชีวิตคล้ายกับที่ปัจจุบันเรียกว่าคุณภาพชีวิตและจึงต้องการความจริงสิ่งที่ดีงาม หรือภาวะที่ดีงามต้องการทำให้ดีงามสมบูรณ์เต็มสภาวะชันทะก่อตัวขึ้นจากโยนิสโสมนสิการคือความรู้จักคิดหรือคิดถูกวิธีคิดตามสภาวะและเหตุผลเป็นภาวะกลางๆของธรรมไม่ผูกพันกับอัตตาแนะนำไปสู่อุตสาหะหรือวิริยะคือทำให้เกิดการกระทา ข้อควรย้ำในตอนนี้มีสองอย่างคือข้อก่อเพื่อจะแยกว่าเมื่อใครคิดพูดทำอะไรจะเป็นตันหาหรือไม่ถึงตอนนี้จะเห็นชัดว่าความต้องการหรือกิจกรรมใดไม่เกี่ยวกับการหาสิ่งมาเสพเสวยเวทนาไม่เกี่ยวกับการปกป้องรักษาหรือเสริมขยายความมั่นคงถาวรของอัตตาลึกลงไปแม้แต่การที่จะบีบคั้นนิรอนอัตตา ความต้องการหรือกิจกรรมนั้นไม่ใช่เรื่องของตันหาขอข้อความว่าตันหานำไปสู่การแสวงหาฉันทะทำให้เกิดการกระทานี้เป็นจุดสำคัญที่จะทำให้เข้าใจความแตกต่างระหว่างตันหากับฉันทะได้ชัดเจนเป็นขั้นออกสู่ปฏิบัติการและเป็นขั้นตอนสำคัญที่มีผลในทางจริยธรรมเป็นอย่างมาก จึงจะหันมาพิจารณากันที่จุดนี้ต่อไปดังได้กล่าวแล้วว่าตันหาต้องการสิ่งที่จะเอามาเสพเสวรเวทนาความสมประสงค์ของตันหาอยู่ที่การได้สิ่งนั้ น, น, นมาวิธีการใดๆก็ตามที่จะให้ได้สิ่งนั้นมาเรียกเป็นคำเฉพาะในที่นี้ว่าการสแสวงหาหรือปริเยสนาในการได้สิ่งเสพเสเวย์มาอย่างหนึ่ง วิธีการที่จะได้อาจมีหลายวิธีบางวิธีไม่ต้องมีการกระทำเช่นมีผู้ให้บางวิธีอาจต้องมีการกระทำแต่ในกรณีที่ต้องมีการกระทำสิ่งที่ตัญหาต้องการจะไม่เป็นเหตุเป็นผลกันกับการกระทำนั้นโดยตรงยกตัวอย่างตัวอย่างที่หนึ่งนายกกวาดถนนได้เงินเดือน900บาท ตัวอย่างที่สองถ้าหนูหน่อยอา่านหนังสือเล่มนี้จบคุณพ่อจะพาไปดูหนังหลายคนคิดว่าการกวาดถนนเป็นเหตุให้ได้เงินเดือนจึงสรุปว่าการกระทาคือการกวาดถนนเป็นเหตุเงินเดือนเป็นผลการได้เงินเดือนเป็นผลของการกระทาคือการกวาดถนนแต่ตามความจริงแท้ข้อสรุปนี้ เป็นเพียงระบบความคิดแบบสะสมเคยชินและหลอกตัวเองของมนุษย์ถ้าจะให้ถูกต้องเติมสิ่งที่ขาดหายไปแทรกเข้ามาด้วยได้ความหมายว่าการกระทำคือการกวาดถนนเป็นเหตุให้ถนนสะอาดความสะอาดของถนนจึงจะเป็นผลที่แท้ของการกระทำคือการกวาดถนนส่วนการกวาดถนนแล้วได้เงินเดือนเป็นเพียงเงื่อนไขที่มนุษย์กำหนดวางกันขึ้น หาได้เป็นเหตุเป็นผลกันแท้จริงไหมเพราะเงินไม่อาจเกิดขึ้นได้จากการกวาดถนนบางคนอาจกวาดถนนแล้วไม่ได้เงินหรืออีกหลายคนได้เงินเดือนโดยไม่ต้องกวาดถนนคำพูดที่เคร่งครัดตามหลักเหตุผลในกรณีนี้จึงต้องว่าการกวาดถนนเป็นการกระทำที่เป็นเหตุให้ถนนสะอาดแต่เป็นเงื่อนไขให้ในายกได้เงินเดือน900บาท ในตัวอย่างที่สองก็เช่นเดียวกันหลายคนคงคิดว่าการอ่านหนังสือจบเป็นเหตุและการได้ไปดูหนังกับคุณพ่อเป็นผลแต่ความจริงการอ่านหนังสือจบเป็นเพียงเงื่อนไขให้ได้ไปดูหนังส่วนที่เป็นเหตุเป็นผลแท้จริงก็คือการอ่านหนังสือจบเป็นเหตุให้ได้ความรู้ในหนังสือนั้นการกระทําคือการอ่านเป็นเหตุและการได้ความรู้เป็นผล ตามตัวอย่างทั้งสองนี้ถ้าพฤติกรรมของนายกอและหนูหน่อยเป็นไปนตามตันหานายกอย่อมต้องการเงินเดือนหาได้ต้องการความสะอาดของถนนไหมและเขาก็ย่อมไม่ต้องการทำการกวาดด้วยแต่ที่ต้องกวาดก็เพราะจําต้องทำเพราะเป็นเงื่อนไขที่จะให้ได้เงินส่วนหนูหน่อยก็ย่อมต้องการดูหนังหาได้ต้องการความรู้จากหนังสือนั้นไหม และโดยนัยยะเดียวกันก็ไม่ได้ต้องการที่จะกระทำการอ่านหนังสือแต่ที่กระทำคืออ่านหนังสือก็เพราะเป็นเงื่อนไขที่จะให้ได้สิ่งที่ตันหาต้องการคือการดูหนังโดยนัยยะนี้พูดตามกฎธรรมชาติหรือตามกระบวนธารแท้ๆตันหาไม่ทำให้เกิดการกระทำและไม่ทำให้เกิดความต้องการที่จะทาการกระทา เป็นเพียงวิธีการอย่างหนึ่งตามเงื่อนไขที่จะช่วยให้การสแสวงหาสิ่งเสพเวสวยสาเร็จลุ่งลุ่ ง, ง, งตามความต้องการของตันหาตัวอย่างทั้งสองนั้นแสดงความหมายของฉันทะชัดเจนอยู่ด้วยแล้วฉันทะต้องการกุศลหรือต้องการตัวธรรมต้องการภาวะดีงามหรือความรู้เข้าใจในความจริงแท้ถ้ามีฉันทะในกอย่อมต้องการความสะอาดของถนน และหนูหน่อยก็ต้องการความรู้ในหนังสือนั้นความสะอาดเป็นผลของการกระทําคือการกวาดถนนความรู้ก็เป็นผลของการอ่านหนังสือทั้งสองคนต้องการผลของการกระทําโดยตรงผลเรียกร้องเหตุคือชี้บ่งหรือกําหนดการกระทําเมื่อกระทําผลก็เกิดขึ้นการกระทําคือการก่อผลหรือการกระทํา คือการเกิดผลเมื่อในกอกวาดความสะอาดก็เกิดขึ้นและเกิดขึ้นทุกขณะที่กวา่าเมื่อหนูหน่อยอ่านหนังสือความรู้ก็เกิดและเกิดเรื่อยไปพร้อมกับที่อ่านการกระทำคือการได้ผลที่ต้องการฉันทะต้องการภาวะดีงามที่เป็นผลของการกระทำและจึงต้องการการกระทำที่เป็นเหตุของผลนั้นด้วยโดยในยะนี้ฉันทะ ทำให้เกิดการกระทำและทำให้เกิดความต้องการที่จะทำหรือทำให้อยากทำความข้อนี้ย้อนหลังไปบรรจบกับหลักที่อ้างไว้ข้างต้นคือทำให้มองเห็นเหตุผลว่าทำไมท่านจึงจัดรวมฉันทะประเภทที่สองคือกัตุกรรมมยาตาฉันทะเท่ากับความต้องการที่จะทำหรือความอยากทำเข้าเป็นข้อเดียวกับกุศลฉันทะหรือธรรมฉันทะ หมายเหตุเชิงอัดในคำพีสารัตธีปณีอ้างหลักฐานเพิ่มเติมอีกแห่งหนึ่งว่ากัตุกรรมมยตาลักคโนกุศลฉันโทแปลว่ากุศลฉันทะมีความต้องการจะกระทำเป็นลักษณะหรือแปลอย่างง่ายง่ายว่าลักษณะของกุศลฉันทะคืออยากทำถ้าพฤติกรรมเป็นไปโดยฉันทะ นายก็มีความตั้งใจกว่าถนนที่เป็นส่วนต่างหากจากการได้เงินเดือนหนูหน่อยก็อ่านหนังสือได้โดยคุณพ่อไม่ต้องล่อด้วยการพาไปดูหนังและไม่ใช่เพียงเท่านั้นผลทางจริยธรรมมีมากกว่านี้แต่ตอนนี้เอาแค่รู้ว่าตัณหาคือต้องการเสพฉันทะคือต้องการทำทอทงรอหันหมอมา้าและต้องการทำทอทหารจระอํา